บุ๊ทูเจ็ดสิบหกเด็บพยารุเหตุผลบางประการสองเกี่ยวชับการเรีนดูทำไมคุณไม่ได้มาล่ะคะมีเรียนดูกราเลดูดีฉันไม่สบายค่ะ น้ากูวนทล บ, บาเลดูดิฉันไม่ได้มาเพราะไม่สบายค่ะน้กูวนลอ บ, บาเลดูกนกเนนราเลดูทาไมเธอถึงไม่มาล่ะคะอมเมนดูกรเลดูเธอเหนื่อยค่ะอเมอะไรสิพูินดีเธอไม่ได้มาเพราะเธอเหนื่อยค่ะ อาเมอลิสปูอินดีอันดุเกราเลดูทำไมเขาถึงไม่ได้มาล่ะคะอาตนิยันดุกราเลดูเขาไม่มีอารมณ์ค่ะอาตนิกีอาสักติเเขาไม่ได้มาเพราะเขาไม่มีอารมณ์จะมาค่ะอาตนิกีอาสักติเลาาะเล่ะนะอาต ทำไมพวกเธอถึงไม่ได้มาล่ะคะมีเรียนตุกุราเลดูรถของเราเสียคะ่ะมากา ร, ชร์ชัดพยนดีเราไม่ได้มาเพราะรถของเราเสียคะ่ะมากา ร, ชร์ชัดพอยินดวละนะเมมูราเลดูทำไมคนเหล่านั้นถึงไม่มาคะออมนุชลียนตุกราเลดู พวกเขาพาลาดรถไฟค่ะวอลุทรนเอกเล็กก็ปยอารูพวกเขาไม่ได้มาเพราะพวกเขาพาลาดรถไฟค่ะวอลุยทรนเอกเล็กก็ปยากรูอันดวัลน่วอลุราเลดูทำไมคุณถึงไม่มาคะมีเรียนดะกราเลดูดิฉันไม่ได้รับอนุญาต นั่นหนูรานี่อะไรดูดิฉันไม่มาเพราะไม่ได้รับอนุญาตนั่นนะรานี่อะไรดูอันเดอรวันเนเนนราเละดู